มาพอาจะเข้าใจได้นะรั้งนี้เพื่อให้เราได้ช่วงสองสัปดาห์นเนี่ยฝึกปรับอินซีก่อนคือรู้จักวิธีการาปรับอินซีแบบวิธีการเคลื่อนไหวทําทำอย่างไรนะในช่วงสองสวันแรก <c oughs>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 อบงาที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นด้วยอานาจข อ, ของกฎของนิจังทุขังนัตตาแล้วถ้าเราไม่มีสติสม ญ, ญาตื่นรู้เข้าไปแก้ไขเนี่ยตัวทุกเวทนาที่เป็นผลพวงมาจากการทำงานของนิจังทุขังนัตตามันก็จะเกิดเป็นผลเป็นวิบากขังอยู่ในร่างกายของเรา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 ความอึดอัดขัดเครื่องในร่างกายคู่ควรทาต่างๆที่มันเกิดจาก อ, อันนี้จากทุกขังหน้าตาเนี่ยมันหลบมันซ่อนมันก่อตัวอยู่ตรงไหนก็เข้าไปรีเีสไปแก้ไขไปบำบัดไปออกหน้าจุดนน้นเรื่อยๆไปร่างกายก็จะเบาสบายตลอดแล้วการทําความเพียรทั้งวันก็ไม่บอบไม่หนักไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่นั่นเพระาะเราทําได้ตลอดมันก็จะได้อารมณ์ตั้งแต่แรกอ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 ถ้าบำบัดเวทนาทางกายไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะหลีกค้นผลคือเวทนาที่ไปครอบงาฉีดได้นะอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะต้องฝึกปรับอินทรีย์ในเบื้องต้นให้ถูกต้องนะเบืองเบื้อ ง, งตอนตอ น, ตอนหลังๆมาเนี่ยมามาปรับโดยวิธีดีแล้วเนี่ยมันได้ผลทุกคอร์สได้ได้อารมณ์ดีนะเมื่อก่อนนี่เล่งทำความเพียรกันกึ่งกลางกึงกลา ง, ง, ง, งทั้งวีทั้งวันแต่ได้ผลนิดเดียว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 ไม่ต้องทําให้มันเกิดมันก็เกิดแต่ว่าเรามีหน้าที่เข้าไปบําบัดแก้ไขปรับออกและขณะเดียวกันความสุขความปลงความบือสบาสก็มีอยู่แล้วแต่เวลาเพียงแต่ปรับเอาความไม่สบายออกไปความสบายก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะทีนี้เราจะขยันปรับมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความแยบคายของเราเองตัวนี้เขาเรียกว่าโยนิสุมณสิกานนะนั่นเองก็เมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็จะมีความ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 นี่ก็ปรากฏขึ้นกัน